คำว่าธรรมะเนี่ยความหมายนึงก็คือหน้าที่ธรรมะนี่มีหลายความหมายอาจารย์เจ้าพุทธทาท่านก็จําแนกนะว่ามีสี่ความหมายความหมายที่กว้างกวางที่สุดก็คือธรรมะแปลว่าทุกสิ่งที่ว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยทำทั้งปวงนี้หมายถึง ทุกอย่างตั้งแต่ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมคนสัตว์สิ่งของระจนถึงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็รวมถึงพระนิพพานด้วยนะทมทั้งปวงเป็นอนัตตากุศลธรรมอกุศลธรรมนี่ก็ใช่แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือหน้าที่ ผลจากการทำหน้าที่ก็ธรรมะเหมือนกันเช่นความปกติความสุขอันนี้ก็เป็นผลจากการทำหน้าที่อันนี้ถามว่าคนเรามีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ที่เรารู้กันก็คือที่เป็นพื้นฐานแล้วคือการดูแลรักษาตัวเอง การดูแลรักษาตัวเองให้มีความสุขให้อยู่รอดปลอดภัยการรู้จักธรรมหากินช่วยเหลือตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานและหลังจากนั้นก็หน้าที่ต่อคนอื่นเช่นความกตัญญูลูกคุณการช่วยเหลือ เกือกูลผู้อื่นการมีน้ำใจ <c oughs> การไม่เบียดเบียนใคร <c oughs> แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดเลย <c oughs> เป็นหน้าที่แรกสุดที่ต้องมี <c oughs> เพราะว่าทั้งหมดที่พูดมาถ้าไม่มีตัวนี้แล้วมันก็อย่างอื่นก็มีไม่ได้หน้าที่อะไรที่เป็นหน้าที่ต่อตัวเองขั้นพื้นฐาน อันนั้นก็คือความรู้ตัวความรู้ตัวนี่เป็นหน้าที่ประการแรกสุดเลยเรามีหน้าที่ที่ต้องรู้ตัวเพราะถ้าไม่มีตรงนี้อย่างอื่นมันก็มีไม่ได้คือพอไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะทำร้ายเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นด้วย ความรู้ตัวนี่มันก็มีหลายระดับนะระดับแรกนี่มันก็เป็นระดับพื้นพื้นที่เกิดขึ้นเองเช่นพอเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้ตัวพอเปิดตาลืมตาขึ้นมาก็รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวตั้งแต่ก่อนยังไม่ทันจะเปิดต า, าใช่เวลาเรานอนเนี้ยได้ยินเสียง เสียงนาฬิกาปลุกเราก็รู้ตัวคนที่ไม่สลบสไลด์ไม่หมดสติเราก็เรียกเป็นคนรู้ตัวหรือคนที่เขาสลบแล้วเขาได้รับการปรถมพยาบาลจนรู้สึกตัวหรือรู้ตัวจำได้ว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอันนี้เราก็เรียกว่ารู้ตัว เป็นความรู้ตัวที่พื้นฐานที่สุดนะแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะเราต้องรู้ตัวแม้กระทั่งในยามที่เราเดินเหินไปมาหรือรู้ตัวอย่างที่เราขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่นี้คนที่นั่งฟังอยู่นี้ บางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวอันนี้พูดในความหมายที่เป็นความรู้ตัวในระดับที่สูงกว่าการที่ไม่สลบไม่ไม่ละเมอนะดูบนเผลนก็เหมือนว่าทุกคนในที่นี้ก็รู้ตัวกันหมดเพราะว่านั่งฟัง ด้วยความตั้งใจหรือดูเหมือนว่าตั้งใจบางคนอาจจะยกมือสร้างจังหวะบางคนอาจจะหูก็กาลังฟังอยู่แต่ว่าในบางขณะหรือว่าบ่อยครั้งแม้จะทำอย่างนั้นอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวนะอาจจะใจลอยใจลอยคิดโน่นคิดนี่นะหรือว่ากาลัง อยู่กับความง่วงนะพอไปจมอยู่กวความง่วงอันนั้นก็เรียกว่าไม่รู้ตัวแม้ว่าอาจจะได้ยินได้ฟังที่อาตรมาพูดอยู่บ้างหรืออาจจะยังนั่งอยู่เปิดตาที่ยซ้าในทางธรรมะย่างเรียกว่าไม่รู้ตัวเราต้องก้าวข้ามจากความรู้ตัวอย่างโลกโลกอย่างที่อ่ เข้าใจพื้นพื้นว่าเออเดินเหินไปมานี่รู้ตัวแล้วให้มาสู่อีกขั้นหนึ่งคือรู้ตัวทั่วพร้อมเดินอยู่ก็ไม่ใช่ว่ารู้ตัวนะเดินอยู่ไม่ก็ไม่ใช่วรู้ตัวเพราะว่าอาจจะใจลอยพอใจลอยแล้วก็อาจจะเดินสะดุดนะมีหินอยู่ข้างหน้ามีหลุมอยู่ข้างหน้า ก็ไม่เห็นเพราะว่าใจไปคิดถึงอย่างอื่นก็ล้มลงบางคนขนาดล้มลงยังไม่รู้ตัวนะมีนักวิทยาศาสาตร์คนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันนะเมื่อสักเจ8 0บปดิปีก่อนนี่เมืองเยอรมันเมืองนั้นะเนมืองเยอรมันทีเกมืองก็ติงเกนเนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสาตร์ชั้นนำมากมาย ต่างแข่งกันคิดคน้นทฤษฎีต่างๆางก่อนที่วิทยาศาสตร์จะมาเจริญที่อเมริกามันอันดับหนึ่งมันอยู่ที่เมืองเยอรมันเมืองเกอรติเกนเนี่ยิทยาศาสตร์คนหนึกก็นั่งยืนคิดค้นทฤษฎีหลังแกเป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์เดินก็คุ้นคิดแต่แล้วก็ไปสะดุดหินลม้มลงคนก็วิ่งเข้าไปช่วย แกก็นอนนิ่งอยู่งั้นนะคนเข้าไปช่วยแทนที่จะยอมให้เขาช่วยแกไล่เข้าไปบอกจะมายุ่งกับผมไม่รู้หรือว่าผมนี่ยังไม่ว่างนะนอนแน่นิ่งอยู่งั้นนะแล้วคนมาช่วยบอกอย่ามายุ่งกับผมผมยังไม่ว่างนะไม่ว่างคืออะไรคือกําลังคิดอยู่กําลังคิดทฤษฎีขนาดล้มลงไปแล้วนี่ก็ยังยังไม่ ยังไม่รู้ตัวนะยังจมอยู่กับความคิดซึ่งก็คิดดีนะแต่ว่ามันทำให้เขาลืมตัวไปไม่รู้ตัวว่ากลังนอนอพังพังภาพอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ใครมาทำให้ความคิดสะดุดเพราะก็ถือว่าความคิดนั้นเป็นใหญ่มากคนแบบนี้มีเยอะนะแล้วแต่ว่าจะคลั่งใคลหลงหลายเรื่องอะไร พอครั่งใคล้หลงยหลเรื่องแล้วเราก็จะลืมตัวได้ง่ายอันนี้ในทางในทางโลกก็อาจจะบอกว่าเขารู้สึกตัวเขารู้ตัวแต่ว่าในทางธรรมถือว่าไม่รู้ตัวคือลืมตัวเพราะจมอยู่ในความคิดหรือจมอยู่ในอารมณ์แล้วคนเราพอลืมตัวแล้วนี่มันก็ลืมอย่างอื่นนะแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาได้เมื่อสัก สองสามเดือนที่แล้วก็มีข่าวว่าสา ร, สารเกาหลีใต้สั่งตัดสินจำคุกสามีภรรยาคู่หนึ่งข้อหาว่าอะไรข้อหาว่าปล่อยลูกทิ้งลูกจนตายลูกอายุแค่สามเดือนหนึ่งทิ้งลูกจนตายไม่ได้ไปทิ้งลูกบนทางขยะนะไม่ได้ทิ้งลูกในทางขยะ ไม่ได้ทิ้งลูกในสวนสาธารณะอย่างที่เราได้ฟังข่าวบ่อยๆแต่ทิ้งลูกไว้ในบ้านทิ้งลูกไว้ในบ้านจนอดอาหารตายเราเจ้ตัวไปไหนอ่ะพ่อแม่ไปไหนอ่พ่อแม่ไปคลุกอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไปคลุกอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตไปทาอะไรไปเล่นเกมเล่นเกมออนไลน์ นะเล่นเกมออนไลน์ทั้งวันกนนัางคืนนี้ได้กลับมานะสุขหัวที่บ้านนั่นนั่นแหละเป็นโอกาสเยวที่จะเลี้ยงลูกก็คืออาจจะให้นมลูกบ้างลูกได้นมแค่ลูกได้นมแค่วันละครั้งก็คงนิดนิดหน่อยหน่อยนะเด็กทารกไม่ถ้าให้ให้นมแค่วันละครั้งก็มีปัญหา นั้นเด็กก็ในสุดก็ขาดอาหารตายขาดอาหารตายในบ้านของตัวพ่อพ่อแม่เนี่ยมัวแต่หลงอยู่กับอินเทอร์เน็ตหลงอยู่กับเกมออนไลน์แล้วเกมนั้นเป็นเกมอะไรเป็นเกมชื่อ p r ีนะเป็นเกมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เขาความจำเสื่อมเขาความจำเสียไปเกมนี้ก็ คนเล่นก็มีหน้าที่ต้องช่วยทำให้เด็กนี่มีความจำกลับมานะมันก็หน้าหัหน้าเศร้านะคนนี่ลืมลูกของตัวแต่ไปช่วยลูกของคนอื่นในจินตนาการนะลูกของตัวนี่น่าจะได้รับการช่วยเหลือมากนะแค่สามเดือนเองแล้วก็คลอดก่อนกำหนดด้วย จะไม่สนใจกลับไปช่วยเด็กผู้หญิงในจินตนาการซึ่งไม่มีตัวตนดูเหมือนมีน้ำใจนะแต่ว่าเป็นน้ำใจผิดที่เพราะว่าลูกของตัวเองเนี่ยไม่ดูแลอันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะความลืมตัวคือติดอินเทอร์เน็ตติดเกมออนไลน์มากจนลืมลืมตัวลืมพอลืมตัวแล้วก็เลยนะงานการไม่ทำ กินยังไม่ค่อยกินเลยเอาแต่เล่นแล้วในสือก็ลืมลูกของตัวลืมจนตายนะศาลก็เลยตัดสินจำคุกนคนละสองปีแล้วพ่อแม่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะพ่อก็อายุสี่สิบกว่าแม่ก็ยี่สิบห้าไม่ใช่เป็นวัยรุ่นสิบห้าสิบหกที่ไหนนี่มันเป็นขนาดนี้นะ แล้วบางคนลืมตัวจนตายก็มีนะที่เกาหลีนี่เหมือนกันกเมื่อสองปีก่อนมีหนุม่มเกาหลีคนหนึ่งติดเกมออนไลน์มากเกมออนไลน์ของเกาหลีมันมีเกมเกมน่าตื่นเต้นเยอะรักหน้ารักนี่ก็เหมือนกันหรือรักนรกเนี่ยนะสอสปีก่อนก็ไปติดเกมจนกระทั่งถูกเล่าจากงาน แทนที่จะดีใจอาแทนที่จะเสียใจนะกับดีใจดีใจว่าจะได้เล่นเกมออนไลน์ทั้งวันเลยไม่ใช่แค่ทั้งวันทั้งคืนด้วยพอไม่พอไม่มีงานทำํำพอตกงานก็เลยเล่นกันแบบเต็มที่เลยทั้งเชา้าทั้งกลางคืนจนกระทั่งข้ามคืนข้ามวันเล่นถึงสามสิบหกชั่วโมงไม่ได้นอนเลย แล้วก็คงกินไม่รู้ได้กินด้วยหรือเปล่าอาจจะกินอยู่หน้าจอปอกว่าเล่นติดต่อา6ชั่วโมงร่างกายไม่ไหวนะช็อกหัวใจวายไม่รู้ว่าเส้นเลือดหัวใจแตกเส้นเส้นเลือดในสมองแตกไม่รู้ตายตายคาตายคาโตะไปเลยขณะที่ยังเล่นไม่จบนะอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะไม่มีสติ ดูจากภายนอกก็เหมือนว่าเขารู้สึกเขารู้ตัวเพราะเขาเล่นเกมก็ต้องใช้ความคิดเขาต้องใช้จินตนาการหลายอย่างอันนี้มองแบบโลกโลกคือเขารู้ตัวแต่ว่ามองแบบในทางธรรมะหรือมองอเอาความรู้ตัวอีกระดับหนึ่งเข้ามาจับก็ก็บอกได้ว่าเขาลืมตัวเขาไม่รู้ตัวถ้าพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยไอ้หน้าที่อย่างอื่นที่ควรทําต่อตัวเอง <c oughs> เช่นการหลับการนอน <c oughs> การพักผ่อน ซึ่มันไม่ต้องสอนนะร่างกายมันเรียกร้องเองว่าได้เวลานอนแล้วได้เวลากินแล้วมไม่สนใจะนะลืมลืมกินลืมนอนนะอันนี้เพราะไม่รู้ตัวคนเราเพอไม่รู้ตัวแล้ ว, ลวก็ทำร้ายตัวเองได้ถึงตายนะแต่บางคนก็ทำร้ายอย่างอื่นเช่นกินเหล้ากินเหล้าเมาไมา่ กินไม่ยอมเลิกไม่ยอมหยุดหรือว่าเสพยาอันนี้เราคงได้ยินเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะได้ยินถ้าลืมตัวก็ตายได้เหมือนกันอาจจะตายเพราะร่างกายมันไม่ไหวหรือตายเพราะอุบัติเหตุนะขับรถชนเสาเนี่ยอันนี้ก็ได้ยินไปบ่อยบ่อยทัย้งคนเราเนี่ยเพียงแค่หน้าที่ที่จะเอาชีวิตให้รอดให้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยแค่นี้ก็ทาไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่า เราขาดการรู้ตัวถึงบอกว่าความ ร, รู้ตัวเนี่ยมันเป็นหน้าที่อย่างแรกที่เราต้องมีและไม่ใช่รู้ตัวเพียงแค่ว่าเปิดตาลืมตาเดินไปไหนมาไหนได้นะอันนั้นยังไม่เรียกว่ารู้ตัวเท่าที่ควรรู้ตัวแบบนี้ยังอันตรายได้นะรู้ตัวแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าเล่นเกมออนไลน์จนตายเนี่ยอันนี้เ็แสดงว่ายังไม่รู้ตัว นั่นสิ่งที่เราทำนี่มั น, มนสำคัญนะการรู้ตัวนี่ต้องถือเป็นหน้าที่อย่างแรกถ้าความรู้ตัวนี่มันฝึกได้ไม่ใช่รอให้ลืมตาขึ้นมาแล้วถึงค่อยรู้ตัวอันนั้นมันมันยังหยาบเกินไปเราต้องรู้ตัวด้วยการฝึกให้รู้เท่าทันสิ่งที่ทำให้ลืมตัวสิ่งที่ทำให้ลืมตัวก็คืออะไรก็คือความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งรวมทั้งอารมณ์นะ ความรู้สึกนึกคิดคิดเรื่องนี้เรื่องนี้นะหรือว่าอารมณ์คือความอยากนะความอยากที่มันดึงจิตให้ลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างนะทำให้ติดทำให้หลงไหลหลงไหลในเกมออนไลน์หลงไหลในในสุรายาเมาหลงไหลในกามราคะในเพศลดนะมันก็ทำให้ลืมตัวได้ทั้งนั้นอย่างที่เราก็ทราบใช่ไหมคนบางที คืนกระหายในกามเนี่ยก็ไปฉุดคร่าใครมาทำร้ายมาชำเราเสร็จแล้วตัวเองก็เผลอไปฆ่าเขาหรือถึงไม่ฆ่าถูกจับได้ก็ติดคุกไอ้พวกนี้ก็ทำด้วยความลืมตัวบางคนก็เป็นคนมีความรู้มีอาชีพการงานแต่มันลืมตัวเขาเรียกว่าหน้า ม, มืดนะตอนที่ทำเนี่ยก็ ก็อาจจะไม่รู้ว่าทำอะไรนะแต่ว่าใช้ใช้สมองคิดว่าจะวางแผนอย่างไรจะล่อเขาอย่างไรนะจะไปทำที่ไหนไม่ให้ใครเขารู้พวกนี้ก็ใช้ความคิดใช้สมองทั้งนั้นแหละแต่เราเรียกว่าลืมตัวเพราะว่าลุ่มหลงอยู่ในอยู่ในกามอยู่ในในอารมณ์นะอารมณ์อยากกามราคะ หรือว่าอารมณ์โกรธนะโท่สักถ้าความโกรธก็ทําให้ลืมตัวฆ่ากันได้บางทีเพื่อนฆ่าเพื่อนหรือว่าพี่ฆ่าน้องด้วยความลืมตัวบันก่านเพื่อนเขาเล่านะแค่ไปท้วงพี่ชายนะเรื่องการมีแฟนนะพี่ชายเนี่ยควักปืนมายิงบากว่า กระสุนเฉียดหน้าไปเขาเมายัางติดหน้าเลยกระสุนไปไปติดอยู่ที่ข้างฝายิงยิงน้องสาวห่างกันคงแค่ไม่ถึงห้าเมตรเลอมึงแล้วยิงได้ยังไงไม่รู้นะดีที่ไม่ถูกนะเขาเมาแค่โดนหน้าอันนี้นนก็ลืมตัวนะโกรธนะรรู้สึกเสียหน้าความเสียหน้าก็ทำให้โกรธได้ จะเห็นได้ไหมว่าคนเราเนี่ยมันลืมตัวได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะทำสิ่งที่เลวร้วายได้แม้แต่การหมกบุนคลุ้นคิดในสิ่งที่ดีที่เป็นการงานจนถึงทำให้ลืมตัว <c oughs> ก็อาจจะทำให้ทำร้ายคนอื่นได้หรือว่าทําให้คนอื่นเนี่ยมีอันเป็นไปได้มีน <c oughs> ักเทศมนตรี ree, คนหนึ่งเนี่ยทุกเช้าเนี่ย จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยนั่งติดรถไปด้วยเพื่อเอาลูกอายุสามขวบเนี่ยไปฝากไว้กับสถานอนุบาลเนอร์เซอรี่เพราะว่ามันสถานเพออนุบาลเนี่ยโรงเรียนอนุบาล น, นี่มันใกล้กับใกล้กับเทศบาลเทศมนตรีเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกับผู้หญิงคนนี้เพราะนั้นก็ติดรถไปด้วยกันนะเพื่อไปส่งลูก แล้วแม่ก็กลับเองเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่ไม่ว่างก็เลยขอฝากลูกเอาไว้แล้วก็บอกเทศมนตรีว่าถึงอพอผ่านเรงล่นุบานแล้วก็ช่วยพาลูกของตัวเนี่ยไปเข้าโรงเรียนหน่อยนะเทศมนตรีก็รับปากเพราะมันทำบันไดยอยู่แล้วทํอยานี้ทุกวันเพียงแต่ว่าวันนี้แม่ไม่ว่าง ก็ฝากลูกไว้ลูกก็นั่งอยู่ข้างหลังลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกของเทศสนมตรีนะแต่ว่าเป็นลูกของเพื่อนบ้านวันนั้นเนี่ยเทศมนตรีเขามีประชุมแล้วก็คงจะไปสายหรือรถติดยงไงไม่ทราบนะแกก็ก็คงจะคิดแต่เรื่องการประชุมนั่นแหละขณะที่ขับรถไปก็นึกถึงการประชุมพอถึงเทศบาล แกก็รีบจอดรถล็อกรถเสร็จก็รีบขึ้นไปสํานักงานเทศบาลไปประชุมนะไปประชุมก็ประชุมยาจนถึงเที่ยงพอถึงเที่ยงประชุมเสร็จก็ทํางานต่อจนถึงเย็นห้ามงเย็นก็ออกจากที่ทํางานมาขึ้นรถขับรถออกไปได้สักพักมองไปที่กระจก ปกใจเด็กทิ้งเด็กไว้ตั้งแต่เช้านะจนจนเย็นตายแล้วเนี่ยเด็กอยู่ในรถทั้งวันเลยนะก็เลยรีบจอดรถแล้วก็มาดูว่าเด็กเป็นยังไงเพราะว่าเด็กตายแล้วนะเด็กถูกแดดเผาหมอที่ชนะศึก็บอกว่าเด็กขาดน้ำ ขาดน้ำจนตายขาดน้ำาขามันร้อนมาก เ, เด็กก็ไม่รู้วิธีออกจากออกไม่รู้วิธีเปิดประตูด้วยที่จริงเปิดประตูจากข้างในมันก็ไม่ยากแต่เด็กไม่รู้นะอันนี้ก็ก็เป็นอุทาหรณนะ์นะเราต้องสอนเด็กว่าต้องเปิดประตูยังไงจากข้างในถ้าเปิดประตูจากข้างในมันก็ลอดแต่เด็กไม่รู้เด็กก็เลยโดนแดดเผาตาย ก็ถึงไม่ทั้งมือแม้ไม่โดนแดดเผามันถ้ามันร้อนมากๆก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงเจ็แปดชั่วโมงก็ตายได้นะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าคนเราเนี่ยพอพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ลืมอย่างอื่นได้ลืมเด็กเพราะลืมตัวทำไมถึงลืมตัวก็เพราะใจกาลังคิดถึงเรื่องงานเรื่องการขับรถไปก็คิดไปขับรถไปก็คิดไปบางก็ก็รถชนนะพราะคิดเรื่องงานเรื่องการ ก็มีแต่นี่กรณีนี้เนี่ยถึงแมาจะคิดเรื่องดีๆนะเรื่องงานเรื่องการก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรไม่เหมือนการไปจมอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือว่าหมกบุนในกามคิดแต่จะไปเบียดเบียนคนอื่นมันไม่ใช่ถ้าคนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่มากนะแล้วคนดีๆก็ก็หลงอยู่ในอารมณ์แบบนี้ก็มากก็คืองานการ อันนี้ก็ทำให้ลืมตัวได้คือไม่มีสติเ ป, เป็นเป็นพความนึกคิดนะ <c oughs> เป็นพาะความฟุง้งซ <c oughs> ่านแล้วพอเราคิดแล้วเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องงานเรื่องการความคิดนั่นมันก็กลายเป็นนายเราวางไม่ได้นะวางไม่ได้เพราะว่ายิ่งคิดแล้วก็ยิ่งถลํานะเรียกว่าฝังใจลงไปในอารมณ์นะมันสับในพระตไตรปิฎกเขาเรียกว่าฝังใจ ในอารมณ์ก็เป็นความจมนะหลงนะจนลืมตัวเพราะฉะนั้นความรู้ตัวเนี่ยถึงถึงถึงอยากจะย้ำว่ามันเป็นหน้าที่ประการแรกของคนเรานะที่จะต้องสร้างต้องพัฒนาให้มีขึ้นแล้วนะความรู้ตัวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยสนใจนะเรียนในเรียนหนังสือเนี่ยนะก็ ไม่ค่อยมีใครสอนหรอกแม้แต่วิชาศิลธรรมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องหรือย้ำเรื่องความรู้ตัวเท่าไหร่ส่วนใหญ่อาจจะย้ำเรื่องการมีศีลแล้วไม่ก็สอนเรื่องพุทธประวัติสอนวิธีการกราบว่ากราบยังไงถึงจะถูกต้องเป็นจังขปดิษกราวคำบูชาพระตนตรายอย่างไรซึ่งก็ดีนะแต่ว่าให้ความรู้ตัวนี่มันเป็นพื้นฐานของทุก ข, ของทุกสิ่งเลย จะเรียนหนังสือหรือว่าจะทำอะไรก็ตามแม้แต่การที่จะประคองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้ก็ต้องมีความรู้ตัวและพวกเราพอจะรู้สึกหรือสัมผัสได้ไหมว่าความรู้ตัวมันเป็นยังไงมาถึงวันนี้แล้วนะเราสังเกตไหมพอใจลอยนึกถึงเรื่องอื่นเนี่ยความรับรู้ คือการรับรู้เสียงบรรยายคำบรรยายของธรรมาเนี่ยก็อาจจะพระ่าพร้ามัวมัวอันนั้นก็เรื่อไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเต็มที่แม้ตาจะเปิดอยู่ก็ตาแม้มือจะเคลื่อนไหวไปมาก็ไม่รู้ตัวได้มันเบร์เบรเวลาเราเดินแล้วเราลืมเราใจลอยคิด น, น่นคิดนี่อมันความรู้สึกมันไม่ชัดนะความรู้สึกมันไม่ชัดมันเบร์เบ ร, เบรมันเหมือนกับว่ารู้ครึง่งไม่รู้ครึง่ง นะอาจจะเรียกว่าละเมอคล้ายๆละเมอก็ได้นันก็คือความไม่รู้ตัวทั้งๆ ท, ที่เดินถูกทางนะเดินพอถึงทางเลี้ยวก็เลี้ยวถูกนะแต่มันเป็นแปะตัวอัตโนมัติมันก็เหมือนคนที่เล่นเกมเล่นเกมออนไลน์เนี่ยนัน ก, ก็ทำถูกหมดเลยแล้วก็ทำได้ดีด้วยแต่มันทาภายใต้ความลืมตัวนะความไม่รู้ตัวนะ ละสิ่งอะไี้มันมันสร้างขึ้นได้สร้างขึ้นโดยการที่เรานะทำตามทําตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่ในอิริยบทไหนนะก็ให้มีสติตามรู้นะตามรู้ในในอริยบทนั้นเรื่องที่หลวงพ่อเทียนท่านทําให้ง่ายขึ้นนั้นะด้วยการ ใช้วิธีการยกมือหรือการเดินจงกรมแล้วก็ให้การบ้านว่าก็ให้รู้กายที่มันเคลื่อนไหวนะเพียง <el> แค่รู้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยความรู้ตัวก็จะกลับมาเพราะว่ากายที่เคลื่อนไหวนี่คือปัจจุบันพอจิตเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความรู้ตัวก็เกิดขึ้นเมื่อจิตมาอยู่กับปัจจุบันคืออ ย, อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบ <i> ันจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัว เมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวก็เกิดขึ้นทันทีสังเกตหรือเปล่าว่าถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าจิตไม่อยู่กับปัจจุบันเช่นยกมือร่างจังหวะแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนหรือว่าฟังอยู่ตรงนี้แต่ใจลอยไม่รู้ไปไหนอันนี้ถือว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่กับอดีตบ้างใจไปอยู่กับอนาคตบ้างบางทีมีเสียงดังอยู่ข้างล่างมีเสียงคนคุยอยู่ข้างล่างใจก็ไปจับอยู่ตรงเสียงนั้น หรือว่ามีเสียงมอเตอร์ไซด์ดังใจก็ไปจับอยู่ที่เสียงนั้นด้วยความไม่พอใจอันนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อตัวใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับสิ่งนอกตัวไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตเกิด อ, อะไรขึ้นก็ลืมตัวไม่รู้ตัวนะหรือว่าเล่นเกมออนไลน์เนี่ยใจก็ไปปักอยู่กับเกมอยู่หน้าจอนะไม่รู้หรอกว่ากําลัง ตอนนั้นกําลังนั่งอยู่หรือยืนอยู่ได้ซ้ําไม่สนใจไม่ต้องพูดถึงว่าเกิดมีใครเดินมาข้างหลังเนี่ยก็ไม่รู้อันนั้นจะไม่ต้องเรื่องของคนอื่นนะเรื่องของตัวเองเนี่ยคือกายกับใจตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่ไม่รู้ว่ากำลังยืนอยู่หรืออะไรท้องหิวก็ไม่รู้นะง่วงก็ไม่รู้เพราะมันกําลังเมามันอยู่กับเกมที่กําลังเล่นคนเล่นไพ่ก็เหมือนกันก็แบบนั้นนะ ใจมันไปอยู่นอกตัวไปอยู่กับไพ่ไปอยู่กับเกมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เลยไม่มีความรู้ตัวเนี่ยวิธีการที่เราทำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือฝึกให้ใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทําในขณะในแต่ละขณะแต่ละขณะงานที่ทําคืออะไรอ่าก็คือเรียบ ท, ที่เราสร้างขึ้นมาที่เรายกมือที่เราเดินนะ เป็นไอเดียบทที่สร้างขึ้นมาที่จงใจสร้างนะแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่เวลาเราเดินกลับไปที่ห้องหรือว่าเราอาบน้ําเราถูฟันเรากินข้าวพวกนี้ก็เป็นอเดียบททั้งนั้นนะเราล้างจานเราหั่นผักพวกนี้ก็เป็นอเรียบททั้งนั้นเป็นงานที่ทําในปัจจุบันการเจริญสติก็ไม่มีแล้วมากก็ให้ใจมารู้กายนะ พอใจมารู้กายว่าทำอะไรนะความรู้ตัวก็เกิดขึ้นเราก็หันผักได้ถูกเราก็วางจานได้เป็นที่เป็นทางนะเริ่มจากการรู้กายก่อนอันนี้เรียกกายเห็นุปัสสนารู้กายถ้ารู้กายอย่างต่อเนื่องนะสติก็จะไวขึ้นความรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นได้ไวขึ้นนะใหม่ๆก็มไม่ต้องสนใจ ว่าคิดอะไรถึงแม้ว่าความคิดมันจะชวนให้ให้ให้ใจนี้หลงหลงเข้าไปในความคิดแม้จะคิดดีนะคิดเรื่องทำบุญคิดเรื่องการทอดกระถินก็อทอดผ้าป่าคิดดีทั้งนั้นแต่มันคิดผิดเวลาคิดผิดเวลาก็ก็ไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าคิดเรื่องทำมากขนาดขับรถคิดเรื่องการเรียลลยเงินสร้างโบสถ์ขณะที่กาลังขับรถอันนั้นมันบอกไว้ทาไม ถึงเกิดอุบัติเหตุนะนะนะไปทอดกระถินไปทอดพระป่าแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้ น, นก็เลยไปพ <ไป S 1> าน <ไป S 1> ว่าเนี่ยทำไมทำดีไม่ได้ดีนะไปทำบุญแต่ทำไมถึงได้เคราะกลับมาก็ต้องถามว่าตอนนั่งรถตอนขับรถเนี่ยมีสติหรือเปล่านะมีสติไหมใจลอยไหมนะ กำลังคุยเล่นกับใครหรือเปล่ากำลังคุยโทรศัพท์หรือเปล่านันแม้ว่าจะใจลอยเรื่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารทอดกรถินแต่ว่าถ้าเกิดว่าขณะนั้นกําลังขับรถเนี่ยอันนั้นมันผิดเวลาแล้วอันนั้นถือว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมในพุทธศาสนาจะมีคำหนึ่งว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมก็คือว่าปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ กาลเทศหรือสมควรอย่างกรณีเช่นขับรถเนี่ยก็ต้องมีสติการขับรถไม่ใช่ไปคิดเรื่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างท่อกถินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะไปว่าก็ไปไปโทษนะไปโทษบุญกุศลไม่ได้ไปโทษธรรมะไม่ได้ว่าทำไมเราทำบุญทากุศลทำไมถึงเกิดเคราะห์เกิดเกิดโชคร้ายแบบนั้นอันนั้นก็เพราะว่านะ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่กรณีไมไ่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมไม่มีธรรมนุธรรมปฏิบัตนะิธรรมเนี่ยก็จะมีทูตจ้าจะเน้นเลยว่าจะต้องปฏิบัติตามสมควรแก่กรณีอย่างเช่นเวลาลูกเดือดร้อนหรือเห็นใครเดือดร้อนเราก็ช่วย อันนี้เรียกว่าเมตตาต้องมีเมตตาเขากำลังจมน้ำเราก็ไปช่วยเขาเอาไม้เอาอะไรไปให้เอาโยนหัวนยางไปให้นี่ทำด้วยเมตตาจะเดินผ่านไปไม่ได้จะไปคิดว่านี่เป็นกรรมของสัตว์ไม่ได้หรือไปคิดว่าเป็นกรรมที่เขาต้องชดใช้เดี๋ยวเราไปช่วยเขาเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรเจาของเขาจะมาเล่นงานเราเดี๋ยวนี้คิดแบบนี้เยอะนะบอกว่าเนี่ย เป็นหมอเป็นพยาบาลอย่าไปช่วยคนใกล้ตายนะเพราะว่าไม่แน่หรอกว่าเขาอาจกางจะโดนเจ้ากรรมในเวลเล่นงานเราไปช่วยเขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวงของคนนั้นจะมาโกรธจะมาเล่นงานเราเดี๋ยวนี้คิดแบบนี้ก็มีนะหมอและพยาบาลจำนวนหนึ่งแล้วก็กระจายไปทั่วกระจายไปกว้างขวางมากขึ้นอันนี้คิดแบบอ่ เป็นเป็นความคิดสมัยใหม่ที่ไม่รู้มาจากไหนแต่ไม่ใช่ความคิดแบบพุทธศาสนานะพุทธศาสนาเนี่ยใครเดือดร้อนก็ช่วยนะก็เคยมีคนนะเคยเคยมีคนพูดแบบนี้เหมือนกันอัตมาก็ถามเขาว่าอา่ถ้าเกิดว่ามีลูกของเรากำลังจะเดือดร้อนลูกของเรากำลังจะถูกทําร้ายแล้วมีคนอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาไม่ช่วยเพราะเขาบอกว่า ก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนที่ชดใช้กรรมไปเนี่ยเราจะรู้สึกงไงกับคนที่พูดอย่างนี้คนที่นิ่งเฉยไม่ช่วยลูกของเราที่กำลังถูกอันตรพาณทำลายแล้วคงโกรธนะว่าคนทำไมถึงไม่ช่วยลูกฉันหรือถ้าเรานึกว่าเป็นลูกของเราเองแล้วกำลังถูกทาลายแล้วเราอยู่ในเหตุการ์เราจะพูดไหมว่าปล่อยให้เขาถูกทำลายไปพวกเขากาลังชดใช้กรรมเขากาลังชดใช้เจ้ากรรมในเวร เราทำงานหรือเปล่าเราก็ไม่ทำเราก็ไปช่วยลูกหลงของเราใช่เพราะอะไรก็เพราะเป็นลูกของเราแต่ทำไมเป็นคนอื่นเราถึงไม่ช่วยทำไมเราถึงบอกว่ากลัวเจ้าการรมในเวื่งของคนนั้นจะมาเล่งงานเราอันนี้มันเป็นความคิดที่ไม่มีในพุทธศาสนาแต่ว่ามันมีแล้วในปัจจุบันน่ต้องมีเมตตาในกรณีเช่ต้องมีเมตตาแต่ถ้าเราช่วยเขาแล้วช่วยช่วยเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ทันหรือว่าเขาก็โลกภายไข้เจหบองเขาลุกเขารุนแรงมากเราเป็นหมอเราเป็นพยาบาลเราก็ต้องมีอุเบกขาอนะ่เอาต้องเอาอูอเบกขามาใช้ในตอนนี้แล้วล่ะเพราะว่าอา่าเราทำเต็มที่แล้วแต่ช่วยไม่ได้อาการเขาหนักจริงๆเขาต้องตายก็ต้องอูเบกขานะอย่ามอย่ามาอา่า ถ้าใช้ผิดที่เนี่ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเช่นอุบຈขาเนี่ยครที่เขากําลังเดือดร้อนอันนั้นไม่ถูกแต่ครที่เขาเลยเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยแต่ช่วยเต็มที่แล้วไม่สําเร็จไม่ได้ผ ล, ผลก็ต้องถึงค่อยวางอุบຈขานะคนที่เป็นแม่นะลูกเดือดร้อนก็ต้องช่วยบางทีลูกลืมสมุดหนังสือไว้ที่โรงเรียนเราก็อาจจะไปช่วยไปเอามาให้อันนี้ทําด้วยความเมตตาแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ย ไม่ทําการบ้านแล้วก็ถูกครูลงโทษเราก็ต้องอุเบกขานะเพราะว่าลูกเขาละเลยเองเขาเพิกเฉยเองเขาขี้เกียจเองเขาก็ต้องรับโทษไม่ใช่แม่ไปช่วยแก้ต่างให้กับลูกว่าลูกวันนั้นป่วยลูกก็เลยไม่ทําการบ้านมาหรือว่าลูกทําการบ้านมาแต่ลูกลืมไว้ลูกลืมสมุดไว้ที่บ้านช่วยแก้ต่างให้ให้ลูกด้วยความรักอันนี้ไม่ถูกนะต้องมีอุเบกขา แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยการที่เราจะใช้ธรรมะให้ถูกกรณีให้ถูกกับเหตุการณ์ที่ถุ ก, กราเทสะเนี่ยมันต้องมีความรู้ตัวเป็นพื้นถ้าไม่รู้ตัวเป็นพื้นเนี่ยความเห็นกับตัวก็จะมาครอบงําเห็นเขาเดือดร้อนเราไม่ช่วยเพราะเรากลัวเดือดร้อนเราเราไปยึดติดในตัวกูของกูมากไปเราคิดถึงตัวเองมากกว่าคนอื่น เราก็เลยไม่ช่วยเขาไอความเห็นแก่ตัวครอบงำได้ก็เพราะอะไรก็เพราะความลืมตัวเพราะความไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทันความเห็นแก่ตัวไม่รู้เท่าทันเหตุผลที่ความเห็นแก่ตัวมันเสกสรรสร้างขึ้นมามันอ้างว่ากรรมของสัตว์ใครทํากรรมใดไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นนี่คือเหตุผลที่ความเห็นแก่ตัวมันอ้างขึ้นมากิเลสนี่มันสร้างเหตุผล ให้เราทําชั่วได้นานาชนิดคนที่คอร์รัปชันเขาก็มีเหตุผลว่าเราต้องคอร์รัปชันเพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อเสียงเพื่อจะได้เอาเงินไปใช้ในการเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งกลับมาหรือได้กลับมาช่วยชาติช่วยชาติก็ต้องคอร์รัปชั่นนะเพื่อได้มีเงินไปลงทุนหาเสียงก็อ้างกันได้นะอ้างว่าต้องคอร์รัปชั่นเพื่อช่วยชาตนะิอันนี้ต้องรู้เท่าทันมันเป็นเหตุผลของกิเลส แลคนที่ไม่รู้เท่าทันเหตุผลของกิเลสก็เพราะไม่มีความรู <erin> ้ตัวไม่มีสติแต่ถ้ามีสติมันจะรู้เท่าทานว่าอ่าไอ้นี่มันเหตุผลของกิเลสไม่ใช่เหตุผลของคุณธรรมความเมตตาเราจะไปหลงเชื่อคนที่หลงเชื่อเหตุผลของกิเลสเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีสตินะไม่มีความรู้ตัวตรงข้ามถ้าเรามีความรู้ตัวแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ย ไอ้นี่เป็นเหตุผลของความเห็นแก่ตัวที่ไม่ให้ไปช่วยเขาเราสลัดวางเหตุผลนั่นได้เราก็ไปช่วยเขาหรือว่าความรักลูกจนกระทั่งยอมโกโหกครูเพื่อแก้ต่างให้ลูกนะเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกถ้ามีความรู้ตัวมีสติก็จะรู้ว่านี่เป็นการทำลายลูกเป็นการทำให้ลูกเนี่ยนิสัยเสียแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดธรรมด้วยเรากลักลงโกหกครูนะ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกหน้าที่ต่อธรรมะเราก็จะทําได้ถูกต้องถ้าเรามีความรู้ตัวแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ตัวเราโกหกโกหกเพื่อช่วยลูกเราทั้งที่ลูกเราก็ทาผิดนะอันนี้เรียกว่าเป็นการไม่ทําหน้าที่ต่อธรรมะนะทางพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมาทิปไตยก็คือการเอาธรรมะเป็นใหญ่เราไม่สามารถ เราบกพร่องในการทำหน้าที่ต่อธรรมะเพราะไม่มีความรู้ตัวไม่รู้เท่าทันให้ความความอยากจะช่วยลูกจนทำอะไรผิดพลาดก็ได้อาจารยได้ว่าความรู้ตัวเนี่ยมันสำคัญมากถึงบอกว่ามันเป็นมันเป็นหน้าที่พื้นฐานเลยมันเป็นหน้าที่ต่อตัวเองไม่มีหน้าที่นี้ ไม่ทำหน้าทีน่นี้อย่างอื่นก็เสียหมดนะนั้นก็ให้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทํำนี่มันมีความสําคัญทีเดียวไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นความฟุ่มเฟือยไม่ใช่เป็นสิ่งเกินเลยนะแต่มันเป็นพื้นฐานที่ขาดกระอยู่แล้วถึงเวลาที่ต้องกลับมาสร้างกันให้เกิดมีขึ้นแล้วก็พูดกันเท่านี้เช้านี้กราบพระ